ขยะมยยะธรรมมาสังคาราอัปมาเดนะสัมปมาเดธาอิมัสสะธรรมัสสะปริยาญัสสยัาสมันเตหิสักจังธรรมโมโสตบูตีตีวันนี้พวกเราก็มีโอกาส ได้รับประทานอาหารทางด้านจิตใจธรรมะนี่ก็เรียกว่าอาหารทางใจทาง TOT ได้จัดขึ้นทุกเดือนแต่พูดถึงจัดขึ้นทุกเดือนนี่ก็เป็นบุญ บุญของพวกเราแต่อาหารใจเนี่ยเดือนหนึ่งจะมาจินมือหนึ่งมันก็ไม่พอนะไม่พออาหารกายเราซื้อด้วยเงินด้วยทองเรายังกินกันมนละสามมื้อนะ่ะอาหารใจไม่ซื้อไม่ได้ไปซื้อไปขายไม่ได้ไป จะแสวงหาที่ไหนเลยกินได้ทุกเวลาก็คืออาหารใจเนี่ยทางทีโอทีจัดขึ้นนี้เป็นบุญของพวกเราพรนัก ง, งานที่เกี่ยวข้องอยู่ในทีโอทีก็ได้สดับรับฟังกันไปก็ถือว่าได้รับประทานอาหารทางด้านจิตใจ ก็คือการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะได้อาหารใจได้ออกกำลังกายออกกำลังกิจ ด, ด้วยการฟังธรรมกิจกับกายเนี่ยเขาเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์กิจนี่เป็นนักท่องเที่ยวนัก เกิดแก่เก็บตายเขาจะท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาคงท่องเที่ยวอยู่ในสามสิบเอ็ดภูมินี่แหละสามสิบเอ็ดภูมิพวกเราก็พอที่จะศึกษากันาบ้างแล้วว่ามีภพภูมิอะไรบ้างนี่เขาเป็นนักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เก็บตายพอดีวันที่เราเกิด เราก็ได้ร่างกายอันนี้แหละที่พารรกันมันนั่งอยู่ตรงนี้จิตอันนั้นเขาก็มาอาศัยกับร่างกายอันนี้แหละร่างกายอันเนี้ยเป็นก้อนบุญที่เราสร้างไว้จากอดีตชาติจิตก็เลยมาอาศัยอยู่แต่เดี๋ยวนี้ เราไม่ได้ให้ความสนใจกับจิตใจเลยเราให้สนใจกับของที่ตายหลวงปู่ปหลวงท่านว่าไงสิ่งที่มันไม่ตายนั้นเราไม่ค่อยสนใจกับมันเรามาสนใจตั้งแต่ของตายของที่เอาไปไม่ได้ก็คือร่างกายอันนี้แหละหลวงปู่ปหลวงท่านบอกว่าเราไปใส่ใจกับของตายเกินไปมันก็เลยเอาดีไม่ได้ ว่าสิ่งที่มันไม่ตายสิ่งที่มันจะเป็นตัวเลือดตัวประเสริฐขึ้นมาได้นั้นคือใจแต่เราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามยถากรรมเพราะฉะนั้นมันถึงประเสริฐเลือดเรือไปไม่ได้การเกิดแล้วแก่แล้วเก็บแล้วตายสัตว์อื่นเขาไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็เกิดแก่เก็บตายได้เหมือนกัน พวกเราสิเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐมันประเสริฐตรงไหนให้ดูดีๆมันประเสริฐตรงไหนคำว่าเกิดแจกเก็บตายสัตว์อื่นเขาก็ทําได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเราก็ตกอยู่ใต้อํานาจของความมของความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ ก็ต้องเป็นไปแต่หนทางที่ประเสริฐเลิศเลยมันมีอยู่ให้พวกเราคิดให้ดีนะกับชีวิตอันนี้จะทำให้เขาเขาเหลียวเละเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแจ่เก็บตายอยู่ไม่มีจบสิน้นก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันมีอยู่ว่าเราอยากจะก้าวเข้าไปในสถานที่ที่เป็นความสุขที่แท้จริง ตรงนี้คือปัญหาตรงนี้คือปัญหาเนี่ยพวกเราเป็นลูกอดลูกอ่อนของทีโอทีได้ฟังธรรมะทุกเดือนทุกเดือนการฟังอย่าไปฟังเฉยๆเข้าไปดูตัวเองเข้าไปคุยกับตัวเองเข้าไปด่าดตัวเองเข้าไปขัดเกลาตัวเองนะ คำว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่นุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวไปรักษาศีลห้าอยู่สำนักนั้นสำนักนี้เฉยๆนะคำว่าไปรักไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้สมัครเข้าไปด่าตัวเองเข้าไปสอนตัวเองเข้าไปฝึกหัดดัดนิสัยของตัวเองให้เข้าหาธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมวันนี้ ก็ได้หยิบยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นนั้นว่าขายะไยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปมาเดถะคำพูดค ำ, คำนี้เป็นคำพูดคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จเข้าปริณิพาน ก็เลยมั น, นึกถึงคำพูดคำนี้ขึ้นมาได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังตายไม่ได้ก่อนจะตายให้พูดคำนี้กับมนุษย์เสียก่อนเถอะถึงปล่อยให้เราตายถึงปล่อยให้เรานิพพานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกมาตรดัสคำพูดคำนี้ออกมาว่าขยะบยะธรรมาสังขารา อปมาเดนะสัมปมาเดถะซึ่งแปลใจความว่าท่านทั้งหลายสังขารอันนี้มันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะท่านทั้งหลายจงพากันยัง ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพระุทธเจ้าตรัสคำนี้จบพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ป ร, รินิพานอันนี้ด้วยความเป็นห่วงพวกเราสังขารอันเนี้ยเราก็รู้กันอยู่ แต่พวกเราไม่มีวิชาที่จะเข้าไปดูความเป็นจริงของเขาวิชาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละพูดง่ายๆก็คือจิตไม่มีพลังนั่นแหละจิตไม่มีพลังก่อนที่จะพูดเรื่องาศาสนานหรือว่าเรื่องจิตคำว่าประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านคืออะไรประโยชน์ตนก็เอาตนนี่แหละมาทำเอาตนมาปฏิบัติศีลไม่มีก็ให้มีศีลสมาธิไม่มีก็ให้มีสมาธิปัญญาไม่มีก็พยายามผลิตปัญญาขึ้นมาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นอันนี้คือประโยชน์ตน ต่นประโยชน์ท่านนั้นคือใครก็เอาตอนนี้แหละไปทําประโยชน์ท่านนั้นก็คือพวกเราทํางานทีโอทีนี่เนี่ยนี่คือประโยชน์ท่านเพื่องอำนวยไปให้กับประเทศชาติาให้ความสะดวกสบายกับทุกเน่ทุกมุมที่อยู่ในเครือข่ายของทีโอทีไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์จานดาวเทียมแต่มันเสียอยู่อย่างเดียว สร้างจานดาวเทียมไปรับถ่ายทอดนรกไม่ได้ถ้าสร้างได้ตรงนี้เนะ่ะโลกมนุษย์เราจะเป็นยังไงถ้าติดจานดาวเทียมแล้วเห็นคนตายที่ทำชั่วมากที่สุดไปผุโปรโอยู่ใ น, น ก, นนกน้นกระทะนรกโน่ะก็เออถ้าจะเป็นหลักฐานพยานที่สำคัญนะแต่นี้มันทำไม่ได้เมื่อทาไม่ได้ก็ห้ ขอขอให้พวกเราทั้งหลายนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์ไม่เคยจงใจว่าจะมาหลอกลวงโลคให้จุดร่มจมไม่เคยจงใจว่าจะมาหลอกใครให้มีความเดือดร้อนบุบบายพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานั้นเพื่อดับถุกให้กับโรคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่เราจะไว้วางใจมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาดีกับทุกคนจนได้มาสร้างเป็นศาสนาเอาไว้นะพระพุทธเจ้านี้สร้างศาสนาขึ้นมาเป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ตรงกลางหัวใจของพวกเราณเดียดนี้นะชี้ผิดชี้ถูกสามารถที่จะบอกอันนี้ชั่วนะอันนี้ดีนะ ให้กับพวกเราได้ทุกเวลาแต่พวกเราเป็นคนที่สู้ตัวเองไม่ได้ก็ะไรไม่เป็นรูปแบบของศาสนาที่ใจเราสู้ตัวเองไม่ได้เนี่คือพระพุทธเจ้ามาสร้างเป็นศาสนาเอาไว้เพราะฉะนั้นประโยชน์ตนก็ทราบแล้ว ประโยชน์ท่านก็ทราบแล้วรูปแบบของศาสนาก็คือพระธรรมพระบินายพระสูตรอันนี้คือรูปแบบของศาสนาศาสนาจะพูดให้ง่ายๆให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายๆคือมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างอย่างที่หนึ่งคือศาสนาพิธีที่พวกเราไหว้พระรับศีลไปเมื่อกี้นี่แหละ คือาศาสนพิธีอย่างที่สองคือาศาสนสถานก็คือวัดบาอารามโบสถ์ชลาอย่างที่สี่ก็คือศาสนธรรมอย่างที่สามเนาะศาสนธรรมอย่างที่สี่ก็ศาสนบุคคลก็คือพวกเรา องประกอบของศาสนามีอยู่4ี่อย่างแต่ใจกลางของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจส่วนที่พระพุทธเจ้าให้เป็นจุดสำคัญที่สุดคือใจใจนี้เขาไม่เคยตายแล้วเขาก็ไม่มีวันตาย ไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้เขามีเวลากับการเป็นมนุษย์เขามีเวลานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีเวลาจํากัดกันทุกคนแต่ทราบไม่ได้ว่าเขาให้มากี่ปีกี่เดือนถ้าเวลามันหมดลงเมื่อไหร่เราก็จะต้องออกจากเมืองมนุษย์ทันที ร่างกายอันนี้เขาเผาทิ้งนะส่วนจิตใจเขาไม่ตายเป็นจิตวิญญาณไปกับบาปกับบุญที่มีอยู่จะทุกข์ขนาดไหนเขาก็ไม่ตายเขาก็ใช้ไปหมุนไปหมุนไปจนพน้นทุกพ้นภัยอันนั้นไปได้แล้วก็ไปเกิดไปตายต่อไปอีกจะมีสุขขนาดไหนเขาก็มีวันที่จะหมดลงเหมือนกันถ้าอยู่ในโลกิยะธรรมนี่นะมันเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติถึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จี้ลงที่ใจส่วนร่างกายอันนี้พวกเราก็เข้าใจเขาอยู่ได้ด้วยโภชนะอาหารแต่ทางจิตใจนี้จะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติให้เขาตายเปล่าๆก็ได้แต่ที่นี้ทุกคนต้องการความสุขที่แท้จริงก็ต้องมาคุยกับธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้ อาตมาก็จะได้แนะนำให้พวกเราได้รู้จักหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นเครื่องมือปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์วันนี้พวกเราจะมารู้จักกับสิ่งที่มองไม่เห็นการปฏิบัติธรรมสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องมองเห็นสัมผัสได้ก็คือ มีตั้งแต่ร่างกายของเรานี่แหละส่วนอื่นๆนั้นไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนสติก็ไม่มีตัวตนปัญญาก็ไม่มีตัวตนกิเลส ถ, ถึงจะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าดินเข้าทางกายทางใจไปถึงใจแล้วไม่มีรูปแบบอะไรสักอย่าง เป็นที่เป็นส่วนที่ทำลายไม่มีรูปแบบอะไรสักอย่างแต่หารู้ไหมว่าวันนี้ให้พวกเรามารู้จักกับสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละจะทำให้ทุกคนเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาก็เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละ ท่านที่ก้าเข้าสู่ดินแดนของความเป็นอริยะท่านก็ปฏิบัติกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่แหละฟังแล้วก็นึกไปด้วยคิดไปด้วยนะฟังแล้วก็คิดไปด้วยดูไปด้วยกำหนดดูไปด้วย โดยเฉพาะใจจิตใจจิตใจเนี่ยเขาอยู่กับเราเด้นะเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่กับเรานี่แหละเขาสิงสถิตอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเดี๋ยวนี้นะแต่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราเพราะอะไรเพราะเขาตกอยู่ในฐานะของความเป็นปุถุชนการคิดการพูดการกระทำมัก จะเป็นศัตรูกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นแหล่งชักจูงสิ่งที่เป็นศัตรูเข้าหาตัวเองอยู่เสมอคือจิตใจนึกไปคิดไปฟังไปนึกไปคิดไปสิ่งที่ดีๆเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อ สิ่งที่ดีๆเขาก็ไม่เอาอย่างเช่นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสาธารณะพร้อมที่จะควยคว้าเอาได้ทุกการทุกเวลาแต่เขาก็ไม่เอานั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีได้บุญเท่ากับสร้างกองพระป่าเท่ากับสร้างกองกระิน เท่ากับเราไปให้ทาน200วัดเรายัางไม่ทำเพราะอะไรเพราะจิตใจของไม่เชื่อเรานั่งอยู่เนี้ย1ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับไปตะเวนไปทำบุญ400วัดแลวนะ มันมากกว่ากันขนาดไหนแต่พวกเราก็ไม่ทำที่พวกเราทะระเวนกันไปเก้าวัดสิบวัดยี่สิบวัดบ้างอันนั้นมันแฝงตัวด้วยกิเลสข้างในมีสิ่งที่แอบแฝงชักชวนอยู่ชักจุงอยู่นี่คือคือจิตใจ ให้พวกเราดูเสียเขาไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นของสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไขว้าเอาได้ทุกการทุกเวลาไม่เลือกการสถานที่ไม่เลือกเพศเลือกไว้ยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะแต่พวกเราทําอะไรอยู่ไปเชื่อใครที่ไหน ถ้าไม่เชื่อสิ่งหลอกลวงในความจริงของความเป็นสมมุติเนี่ยความเป็นจริงของความเป็นสมมุติเนี่ยกาลังเตะจิตใจของเราปลิ้งอยู่เหมือนลูกบอลอยู่ในสนามในะเดี๋ยวนี้นะแต่พวกเราก็ต้านตัวเองไม่ได้เลยหยุดตัวเองไม่ได้เลยหยุดตัวเองไม่ได้เลยใเดี๋ยวนี้นะ กิเลสมันเตะกลิ้งอยู่ในสนามวันละหลายแสนรอบเราไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้เลยเดี๋ยวนี้นะจะให้มันเป็นไปทางสินสมาธิปัญญามันก็ยากอยู่นะถ้าต่อสู้ตัวเองในจุดนี้ไม่ได้แล้วอย่าได้คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นผู้มีสมาธิ ถ้าต่อสู้ตัวเองไม่ได้ตรงนี้แล้วอย่าได้คิดเลยว่าจิตใจดวงนั้นจะบอกได้สอนได้ถ้าสู้ตัวเองไม่ได้ตรงนี้แล้วอย่าได้คิดเลยเรื่องของพระนิพพานแต่ก็ไม่สุดวิสัยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงจะตรัสสอนกระทั่งเทวดา พวกเปรตพวกผีก็สามารถที่จะสะดับรับฟังได้ในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะประพฤติตนให้เป็นอริยบุคคลไปได้เพราะเขาไม่มีร่างกายเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้บอกเอาไว้สั่งเอาไว้เนี่ย เหมาะสมกลมเกลียวกับมนุษย์ของเรานี้เองเหมาะสมกลมเกลียวทั้งการทั้งเวลาเหมาะสมกลมเกลียวทั้งเพศทั้งวัยแล้วเรารอใครอยู่ผู้วิเศษที่ไหนจะมาช่วยท่านถ้าท่านไม่ทำตัวให้ของท่านเองเป็นผู้วิเศษเกิดขึ้นแล้วใครจะช่วย แล้วใครจะช่วยท่านรอใครพระพุทธเจ้าไปกี่พระองค์แล้วก็ยังช่วยไม่ได้เลยส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าเอาวิธีการมาให้พวกเราอีกส่วนหนึ่งนั้นให้พวกเราปฏิบัติตามด้วยตัวเองนะเดี๋ยวนี้เราขาดจุดนี้เดี๋ยวนี้ความสุขที่แท้จริงพวกเราก็เข้าไม่ถึง เรื่องของกิจทั้งนั้นจากครั้งพุทธกาลจนมาถึงถึงปัจจุบันชาติธรรมะของพระพุทธเจ้ายังสดสดร้อนๆ้อนอยู่ยังไม่ได้ลดคุณภาพลงแม้แต่นิดเดียวใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยท่านสมัยอยู่เสมอแล้วพวกเรารออะไรอยู่ตลาดมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจอยู่ แต่เอาไม่ได้มีแตตตลาดสดของกิเลสตีแผ่กันอยู่ทุกวันทุกคืนก็เลยเอาอะไรไม่ได้นี่คือขาดการปฏิบัติญาติยมอันนี้พูดด้วยด้วยความสงสารกันนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่พิเศษจริงๆเราอยู่อย่างนี้คล้ายๆกับว่าทำเหล่านั้นไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ถ้าเราปฏิบัติเข้าไป แต่สักนิดเดียวเถอะเข้าไปเห็นสักนิดเดียวเถอะเข้าไปสัมผัสนิดเดียวเท่านั้นจะเป็นสิ่งประเสริฐกับจิตใจดวงนั้นทันทีเลยจะนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นให้พวกเราหันหน้าเข้ามาหาพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามเถอะอันนี้ไม่เสียเวลาถึงท่านจะไปไม่ถึงพระนิพพาน บุญอันนี้ยังจะส่งผลให้ท่านมีความสุขไปหลายภูบหลายชาตินะให้คิดคิดให้ดีเราเป็นผู้ฉลาดจริงเป็นผู้มีความอดทนจริงเป็นผู้มีความเพียรจริงถึงได้มาทำงานอยู่ในระดับนี้แต่พูดถึงทางธรรมะทำไมพวกเรามืดบอดไปหมดอย่าให้มันปกคลุมมากทีกิเดะ ค่อยๆลดละลงไปลดละลงไปทางใจลดละไม่ใช่ทิ้งนะโยนทิ้งต่างหากลดละความปล่อยวางความยึดมัน่นถือมั่นจังหะเป็นเรื่องของใจอันนี้ใจไม่มีตัวตนแต่เขาเป็นผู้บงการอยู่ในชีวิตของเราเขาเป็นมนุษย์ลึกลับคนหนึ่งละ่ะอยู่ในร่างในชีวิตของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะชี้ผิดชี้ถูกให้กับเราได้ ก็คือจิตใจนี่แหละจะพูดไปก็คือมนุษย์ลึกลับคนหนึ่งอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าเราหวนตัวเองเข้ามาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเรากำลังเลี้ยงคนคนหนึ่งนี่คือจิตใจเขาไม่มีตัวตนที่นี้สติ สติเขาก็ไม่มีตัวตนวันนี้จะชี้ให้พวกเราได้เห็นทุกอย่างใครไม่รู้ก็ต้องรู้วันนี้แล้วก็ให้เริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเริ่มคุยกับตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสติที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนแต่เขาใช้งานได้ดีมาก แต่พวกเราไม่เคยใช้เขาใช้เขาอยู่แต่ใช้ไปทางอื่นปัญญาก็เหมือนกันปัญญานี้ก็ไม่มีตัวตนกิเลสจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธาธรรมรมเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายเข้าใจไปถึงจิตก็ไม่มีตัวตนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายกันได้ แต่เป็นสิ่งที่จะแปลสภาพบุญเป็นสภาพบาปอยู่ตลอดสร้างบุญสร้างบาปอยู่ตลอดตาเห็นรูปถ้าคิดดีก็เป็นบุญถ้าคิดชั่วก็เป็นบาปเขาจะแปลสภาพกันอยู่อย่างนี้ตลอดแสดงออกมาทางคำพูดแสดงออกมาทางอากาบกิริยา ก็ใจนี่แหละเป็นผู้บงการเนี่ยพวกเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนมาถึงวันนี้ไม่เคยได้ให้อาหารใจที่ดีเลยไม่เคยได้ให้อาหารใจไม่เคยรักษาใจเลยทีนี้จิตใจนี่แหละเป็นผู้บงการในชีวิตของเราใครจะไปตกนรกก็ใจนี่แหละพาไป ใครจะไปขึ้นสวรรค์ก็ใจนี่แหละพาไปใครจะไปพระนิพพานก็ใจนี่แหละพาไปคนอื่นๆไม่สามารถที่จะมาผลักดันให้เราลงนรกได้ขึ้นสวรรค์ได้จิตใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราหันหน้าเข้ามาหาใจก็คือหันหน้าเข้ามาหาตัวเองเราเคยด่าตั้งแต่คนอื่นเราเคยสอนตั้งแต่คนอื่นเราเคยเกลียดตั้งแต่คนอื่น เราเคยอิจฉาพยาบาทตั้งแต่คนอื่นวันนี้พวกเราเข้ามาด่าตัวเองเถอะเราจะได้บุญดานน่าคนอื่นเกลียดคนอื่นอิจฉาคนอื่นเป็นบาปทั้งนั้นถ้าด่าตัวเองปุ๊บพระพุทธเจ้ายกนิ้วให้ทันทีเลยว่าสุดยอดสุดยอดบุคคลเช่นนั้นเปน็นบุคคลที่สุดยอด เราเคยด่าดตัวเองไหมเราเคยอิจฉาตัวเองไหมเราเคยจ้องมองจับผิดตัวเองไหมคิดให้ดีคนที่จะดีได้มันต้องมาดีตรงนี้ถ้าไปอิจฉาคนอื่นต่อให้คุณด่าคนได้ทั้งโลกอิจฉาคนได้ทั้งโลกอันนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ชัดเจนมากว่ายังโง่อยู่ ไม่ใช่โง่แบบน้อยๆด้วยนะโง่แบบสุดๆเลยนะยังโง่อยู่ถ้าด่าตัวเองหรือว่านกตัวเองลงไปกองได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยขาดเข็มขัดโรคให้เลยเนี่ยให้ให้พวกเรานึกให้ดีนะพวกเราเหยียบทางผิดนะเดี๋ยวนี้นะก้าวเดินเหยียบผิดไปนิดเดียวเลยผิดเลยจะขึ้นทางด่วนเอาขึ้นผิด ไปกันใหญ่เลยสุดทางถึงจะกลับได้แต่การเป็นชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยสุดทางก็คือตายจบกลับมาอีกทีศาสนาไม่มีแล้วนี่ให้พวกเราคิดให้ดีทีนี้มาดูสภาพของใจเวลาเหลือน้อยนิดเดียวไม่พอเทศไม่พอเทศเลยจิตใจถึงจะ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ตัวนี้แหละตัวการที่สร้างบาปสร้างบุญเข้ามาหาตัวของเราให้เกิดเป็นการต่อพบต่อชาติให้เกิดเป็นวงจรในการเบียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดก็คือจิตใจเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เขาไม่เคยทางานให้กับเรา เขาจะไปเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้อยู่ตลอดนี่คือหน้าที่ประจําของเขานี่คือหน้าที่ประจําของเขาถ้าปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนี้เราก็จะเหมือนสัตว์สัตว์อื่นเขาก็มีความคิดได้เหมือนกันถ้าปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนี้คือธรรมชาติของเขาเขาจะไม่มีวันเป็นสมาธิ เขาจะไม่มีวันเป็นสมาธิได้เลยเขาก็จะตกเป็นทาตของอารมณ์เสพอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันมีคืนท่านจะรู้หรือไม่รู้เขาไม่รู้เขาตกเป็นทาตของอารมณ์เขาจะเสพอารมณ์อยู่ตลอดการถ่านนั่งอยู่บ้านคนเดียวเขาก็ออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเคยโกรธใครเคยเกลียดใครเคยชอบใคร เขาก็จะท่องเที่ยวอยู่ในดินแดนอันนี้ของเขาทีนี้เราจะหยุดเขาได้ยังไงนี่คือจิตใจของเรานะนี่คือสภาพของจิตใจของเราให้พวกเราทั้งหลายหลับตาแล้วก็นึกไปบ้านของตัวเองนึกไปบ้านของตัวเองจะเห็นหมดห้องน้ำห้องนอน อะไรตู้เย็นตั้งอยู่ที่ไหนจะเป็นภาพออกมาเลยนั่นคือกระแสจิตนั่นคือกระแสจิตเขาจะอยู่อย่างนี้ทีนี้หลักการของพระพุทธเจ้าหลักการของพุทธศาสนาให้พวกเรานะ่ใช้สติเนี่ยเข้าไปควบคุมจิต หรือว่าไปดึงจิตออกจากอารมณ์ให้ทวนกระแสะของอารมณ์เข้ามาหากายทวนกระแสะอารมณ์เข้ามาตั้งไว้ที่กายเอาแล้วส่งไปที่บ้านของเราเอาส่งทุกคนหลับตาแล้วก็ส่งไปส่งไปทีนี้เอาสติดึงเข้ามา ดึงเข้ามาดึงความรู้สึกให้มาให้มามีความรู้สึกอยู่ที่หัวใจเอาเอ า, เอาฐานแรกเอาให้มามีความรู้สึกอยู่ที่หัวใจของตัวเองความรู้สึกนี้คืออาการของจิต อารมณ์คืออาการของจิตเอาใครจาไม่ได้จดนะอารมณ์คืออาการของจิตจิตจริงๆเรามองไม่เห็นแต่เราสังเกตได้ทางอารมณ์เราสังเกตได้ทางอารมณ์เขาคิดไปที่ไหนก็ถือว่าเราส่งกระแสจิตไปแล้วถ้า เรารู้อยู่ที่หัวใจของตัวเองความรู้สึกอยู่ตรงนี้คือจิตก็ไม่ได้ส่งกระแสไปที่ไหนเราจะสังเกตเห็นได้ทางอารมณ์นะทำไม ทำไมถึงให้ทวนกระแสของอารมณ์เข้ามาหากายเพราะจิตที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตไม่ได้ส่งกระแสไปที่ไหนจิตที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตมีความรู้สึกอยู่ที่กาย เพราะฉะนั้นวิธีการทำสมาธิถึงเป็นวิธีที่ควบคู่กับสิ่งที่อยู่กับกายอย่างเช่นพุโทโธลมหายใจยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังอันนี้คือเป็นเครื่องมือล่อจิตให้ออกกระแสให้ออกจากกระแสของอารมณ์เข้ามาอยู่ใน วิธีที่เราจะทำให้เขาเป็นสมาธิก็คือพุโทโธดูลมหายใจยุบหน่อพองหน่อสัมมาอารหังหรือวิธีไหนก็ได้ถ้าเขาออกไปข้างนอกเขาไม่เป็นสมาธิถ้าเขาตั้งอยู่ในกายของพวกเราอยู่ตลอดเขาก็มีสิทธิที่จะเป็นสมาธิแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อย ความกำหนดขาดบ้างได้บ้างขาดบ้างก็ไม่เป็นไรใหม่ๆล้มลุกคุบขาดยังไงก็เอายังไงก็เอาเอาผิดเอาถูกไปก่อนเจอผู้รู้ค่อยคุยกันเพราะเราก็มีครูบาอาจารย์มาบรรยายธรรมอยู่ตลอดใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเดียนถามท่านได้ ทำขอให้ทำปฏิจจต่อกันผิดถูกไม่เป็นไรนี่คือรู้แล้วนะอารมณ์คืออาการของจิตถ้าจิตคิดไปอยู่ที่ไหนไกลหรือใกล้นั่นคืออาการของจิตเรามองเห็นจิตที่แท้จริงไม่ได้แต่เราทราบอาการของเขา เดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนว่าโคเราหายแต่เราเห็นตั้งแต่รอยโคคืออารมณ์เราตามรอยโคไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเรื่ อ, อตามรอยโคเข้าไปเรื่อยเรื่พอไปเห็นตัวโคแล้วเนี่ยรอยโคก็หมดความหมายนะอาการของจิตก็เช่นเดียวกันเราจับ อาการของจิตใบหยุดอาการของเขาได้ก็คือหยุดจิตได้จิตที่ตกเป็นธาตุของอารมณ์นั้นคือจิตที่ไม่มีพลังจิตกับอารมณ์เขาจะไม่มีวันอิ่มตัวยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งอยากกินยิ่งกินยิ่งเสียสุขภาพจิต จิตที่ทวนกระแสของอารมณ์เข้ามาตั้งไว้ที่กายคือบริกรรมพุทโธอยู่บ่อยๆนั่นคือจิตกําลังสะสมพลังจิต ท, ที่ไม่มีพลังจะไม่เป็นสมาธิจิต ท, ที่เป็นสมาธิเขาจะมีหน้าที่ก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาอย่างง่ายได้แต่จิต ท, ที่ไม่มีสมาธิต่อให้ท่านเรียน ปริยัติธรรมจบทุกแง่ทุกมุมของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ท่านก็ก้าวเข้าสู่วิปัสนาไม่ได้ถ้าท่านจับความรู้สึกตัวนี้มาอยู่กับกายไม่ได้จิตของท่านก็ไม่มีวันที่จะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้น อย่าพากันขี้เกียจขี้คันเราจะเข้าไปหาสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าอื่นใดในวัฏสงสารอันนี้คือจิตกับธรรมเราอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปเลยนะถ้าเราปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปเนี่ยเราจะไปกับใครเราขอถามหน่อยว่าจับไปกับใครถ้าหมดอายุไข ตอนเป็นมนุษย์นี่จะไปกับใครวันตายของเราจริงๆไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยได้หรอกว่าคุณไม่ต้องตายหรอกเรากาลังพังอบพังอับ อ, อยู่นี่เนี่ยตายต่อหน้าต่อตายญาติพี่น้องนั่นแหละไม่มีใครช่วยได้พอลมไม่เข้าไม่ออกแล้วก็คือตายตายแล้วก็หมดจิตเลย ร่างกายอันนี้ก็พี่น้องเรานั่นแหละจะเป็นคนเผาเองแต่จิตใจสิ่งที่มันไม่ตายนี่เนี่ยนี่คือตัวของเราจริงๆถ้าอำนาจศีลสมาธิปัญญาไม่สิงสถิตยอยู่ในกับจิตดวงนั้นแล้วเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปที่ไหนบาปบุญเขาจะเป็นผู้บงการเองว่าไปเกิดทบนั้นทบนี้ ถ้าจิตใจที่ใสสะอาดมีอำนาจของศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่มีสิ่งไหนที่จะมาควบคุมเขาได้เลยจุดมุ่งหมายของเราของเขาที่เขาจะไปคือพระนิพพานจิตที่มีอำนาจของศีลสมาธิปัญญานี้คือจิตเหนือกรรมแล้วนะกรรมไม่มีบ่งการได้เลยจิตที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะไปสถานที่ที่หนึ่งของเขา ซึ่งไม่มีทุกข์เลยเดี๋ยวนี้พวกเราก็นั่งอยู่ด้วยด้วยกันทั้งหลายเนี่ยต้องการความสุขเหมือนกันแต่สร้างเหตุไม่ถูกเราไปสร้างเหตุกับสิ่งอื่นความสุขที่แท้จริงก็เลยไม่ได้รับผลเลยทีนี้เราทวนกระแสเข้ามาเข้ามาบริกรรมพุทธโธบริกรรมพุทธโธใช้เวลาวันละห้านาทีสิบนาที วันไหนไม่ได้จริงๆขอให้ล้มตัวนอนลงเถอะนึกถึงว่าจิตใจของตัวเองตั้งอยู่ที่หัวใจนี้แหละแล้วก็หลับไปเลยแค่นี้ก็ยังได้นะแค่นี้ก็ยังเป็นบุญนะให้บริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจขี้ค้านต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองจิต ที่ฝึกไม่ได้นี่แหละเขาจะแสดงตนเป็นศัตรูข้างตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราสร้างอะไรกับใครไว้อย่าคิดว่าตรงนั้นจะจบสิ้นไปนะจะย้อนกลับมาหาเราสักวันหนึ่งจนได้เราเคยด่าใครเราเคยแกล้งใครอิจฉาใครอย่าคิดว่ามันจะจบไปนะ เราเคยขโมยขาจรหยิบของคนนั้นคนนี้อย่าคิดว่ามันจะจบไปนะสิ่งนี้จบไม่ได้สักวันหนึ่งจะมาถึงเราทันทีจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมเขาไม่เคยหล่นหายไปไหนเลยต่อให้ท่านเกิดไปกี่ภพกี่ชาติสิ่งนี้ไม่เคยหล่นหายไปที่ไหนเลย น่ากลัวไหมน่ากลัวมากตอนที่จะตายนี่ยิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาสร้างพลังจิตสร้างพลังจิตด้วยการฝึกทำสมาธิค่อยๆประคับประครองจิตใจให้อยู่กับพุทโธหรือว่าอยู่กับหัวใจของตัวเองมันโกรธใครก็ให้รีบดับทันทีการเข้าไปดับนั้นคือการช่วยตัวเองการเข้าไปดับนั้นคือ การทําให้จิตสงบจากสิ่งเร่าร้อนทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปเป็นสมาธิได้ง่ายการกําหนดอยู่บ่อยๆความชํานาญจะเกิดขึ้นเมื่อความชานาญเกิดขึ้นความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นเมื่อความชัดเจนเกิดขึ้นทําอยู่บ่อยๆทําอยู่ไม่ขาดวักขาดตอน สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเองทั้งสติทั้งปัญญาทั้งจิตใจสิ่งอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตทุกดวงก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละ ให้เรากำหนดอยู่บ่อยๆประคับประคองจิตใจอย่าให้เขาไปเสพอารมณ์ถ้าเขาเสพอารมณ์เมื่ อ, อไหร่แล้วให้เรานึกถึงว่าอ้อเรากําลังทําลายตัวเองเรากําลังปล่อยจิตให้ให้ไปรือขอยะอารมณ์จินแล้วก็จะพามานาไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆมีหน้าที่กําหนดรู้อยู่ตลอดใครจะโกรธ จ, จะเกลียดเรา ก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปใส่ใจให้เสียสุขภาพจิตเลยเสียเวลาเรามารักษากจิตของเราจิตของเราโดนรักษาโดนภาโดนชักชวนภาวนาอยู่เรื่อยๆเขาก็จะสะสมพลังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะเป็นสมาธิของเขาเองเวลาน้อยหน่อถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะเป็นสมาธิของเขาเอง จิตที่เป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยนะวันนี้จะไม่ละเอียดทั้งอากับกิิยาของจิตแต่ละระดับนะเวลาไม่ให้เราประครับประคองไม่ให้เขาเสพอารมณ์ไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาเกลียดไม่ให้เขาโลภไม่ให้เขาหลงอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีพลังขึ้นมาทั้งพลังจิตทั้งพลังสติเขาก็จะมีพลังขึ้นม า, าจิตมีพลั ง, ขลงเขาก็ไม่ค่อยเสพอารมณ์ เมื่อเขาไม่เสพอารมณ์ตอนที่เขาไม่เสพอารมณ์นี่แหละคือช่องบ้างที่เขาจะเป็นสมาธิเขาไปไหนไม่ได้ด้วยสติของเราควบคุมอยู่ไปไหนเราก็ดึงมาหาพุทโธไปไหนเราก็ดึงมาตั้งไว้ที่ฐานการดึงไปดึงมานี่คือการสร้างพลังเหมือนเด็ ก, ห, ดกหัดลุกหัดลุกหัดยืน พอมันลุกขึ้นมันก็หงายตึงเลยแต่มันก็ลุกอยู่บ่อยๆความลุกอยู่บ่อยๆของมันนั่นแหละทําให้มันแข็งแรงขึ้นมาจิตก็เหมือนกันถ้าถูกดึงไปดึงมาเขาดึงออกไปแล้วก็ดึงเข้ามาเขาดึงออกไปแล้วดึงเข้ามานี่คือการสร้างพลังอย่าไปอิจฉาละอาเจไอย่าไปขี้เกียจขี้ค้านตรงนี้สู้วันละหลายแสนครั้งก็เอาถ้าผูใ้ใดมีความขยันหมั่นเพียรตรงนี้ เข้าสู่สมาธิได้ง่ายจิตใจไม่เสพอารมณ์ก็คือช่องบ้างของการเป็นสมาธิถ้าเขาไม่ได้เสพอารมณ์เขาก็จะมาอยู่นิ่งเมื่อนิ่งอยู่สักระยะหนึ่งระดับหนึ่งเขาก็จะเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิถอนขึ้นมาแล้วนี่คือจิตที่อิ่มตัวไม่หิวโหวยกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้น จิตที่เข้าถึงความเป็นสมาธิถอนออกมานี่นะรู้ไหมว่าเขาอิ่มตัวทันทีเพราะฉะนั้นการทำให้จิตเข้าถึงความเป็นสมาธิเนี่ยตรงนี้อาจมาความเป็นสมาธิเนี่ยคืออาหารระดับโอชารสทางด้านจิตใจแต่พวกเราไม่เคยได้พากันได้ริมกันเลยจิตใจ ที่เป็นสมาธิถอนออกมาแล้วเนี่ยจิตใจเขาจะอิ่มตัวทันทีพลังเต็มที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเข้าไปดูความเป็นจริงที่มันหลอกลวงเราอยู่คือร่างกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วถอนขึ้นมาจะก้าวสู่วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือดูความเป็นจริงของร่างกายนี้แหละเอา ก่อนเราจะไปหลงคนอื่นเราก็ต้องหลงร่างกายตัวเองเนี่แหละเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเข้ามาเข้ามาดูความเป็นจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกล้วนแล้วแต่ปฏิกูลโสโโรกแต่พวกเราก็มองไม่เห็นน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำเหนือน้ำมูกน้าลายเห็นอยู่แต่ไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไร อำนาจของกิเลสแต่จิตใจที่มีสมาธิแล้วพร้อมแล้วที่จะไปดูความเป็นธาตุถือวิปัสสนาพร้อมแล้วแล้วฝึกให้เขาดูเลยฝึกดูผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหนืหอน้ำมูกน้ำลายมันเป็นธาตุยังไงความเป็น ความเป็นจิตที่มีพลังนั่นแหละเขาจะเป็นกล้องที่ดีที่สุดให้เรารู้ความเป็นู่โครกของร่างกายเราก็นึกไปได้วิปัสสนึกก็ได้นึกไปได้ไส้ของเราเป็นอย่างนี้ตับของเราเป็นอย่างนี้ใจของเราเป็นอย่างนี้แต่ความเบื่อหน่ายมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกแต่วิปัสสนานี้เป็นกล้องที่ชัดเจนที่สุด จิต ท, ที่ก้าวเข้าสู่ดินแดนของความเป็นวิปัสนาเขาจะรู้ไปหมดเลยว่าอ๋อท่านก็ธาตุเหมือนกันเราก็ธาตุเหมือนกันสักวันหนึ่งท่านก็ไม่มีลมเข้าลมออกเหมือนกันเนี่ยถ้าจิตมันมีพลังมันทะลุปุโป่ปปงไปหมดเลยนะจะบอกให้เนี่ย พ, พวกเรารอใครพวกเรารอใครทีโอทีมันช่วยจ่ายไม่ได้นะ มันช่วยให้เราทำงานกินไปเป็นวันๆเท่านั้นช่วยให้เราทำงานกินไปเป็นวันๆสักหน่อยทำงานไม่ได้เอาก็จะปลดกระเสียนเขาก็หลอกไปอีกล่ะเออกระเสีย น, นเราเอา้าวเราก็เออเป็นของธรรมดาเนี่ยก็ตามลูกตามน้ำทันทีเลยเขาออกไปก็เยอะแยะแล้วนะออกไปจากทีวทีนี่นะ ไปไปก็เยอะแล้วเขาก็เอาอะไรไม่ได้ส่วนที่เราจะเอาไปได้เดี๋ยวเนี้ยกําลังคุยกันอยู่เดี๋ยวเนี้ยที่พระพุทธเจ้าปราถนาดีต่อพวกเราสร้างบรารมีแสนทุกแสนยากมา ก, กี่กับกี่กันเพื่อที่จะมาขนพวกเราไปพระนิพพานพอมาถึงพวกเราแล้วเนี่ยอ๋อหมดกําลังใจกับคนบางประเภท เพราะเขาไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเรารอใครเรายังเรายังงงอยู่นะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นยาวิเศษจริงๆผู้มาพึ่งปฏิบัติอยู่เนืองนิดคนนั้นแหละจะเข้าสู่แดนแดนของความสุขที่ที่แท้จริงแต่พวกเราก็ไม่เอาทั้งทั้ง ท, งที่ใจลึกๆของแต่ละดวงต้องการความสุขเอเดียดนี่นะแต่ยิบผิดทางวันนี้ขอให้คิดใหม่เสนะ วันนี้ขอให้พวกเราคิดใหม่เสียคิดใหม่เสียเมื่อเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นที่ใจนี่แหละถ้าเริ่มต้นที่อื่นผิดเลยการงาน ท, ทีโอทีนี้เราไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะปากท้องเรามีเราจะให้มันโชว์เกินไปจะให้มันเอ้อเกินไปทางร่างกายเบ้อทางจิตใจนี่จะเป็นบุคคลที่เทศที่สุด เท่ที่สุดเขาจะไปมีบทบาทตอนที่เราตายจิตใจที่มีบุญญาบรารมีสร้างไว้อย่างมากมายเนี่ยตายไปนี่จะเป็นจิตวิญญาณที่เท่ที่สุดอยากจะไปอยู่สวรรค์ก็ไม่ใช่ปัญหาอยากไปอยู่พระนิพพานไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยวนี้พวกเราต้องการไปที่ไหนกันใครจุดทูบจุดเทียนปรารถนาอยากจะให้ตัวเองลงในะโลกบ้างไม่มี อย่างน้อยๆก็ปรารถนาสวรรค์กันะ แ, แต่ขอถามสักคำหน่อยว่าท่านสร้างเหตุพอหรือยังท่านไม่ต้องปรารถนาหรอกท่านมีหน้าที่สร้างเหตุอย่างเดียวถ้าเหตุมันพอแล้วเนียคุณไม่อยากไปคุณก็ต้องไปนรกเนี่ยคุณไม่อยากไปอะแต่เหตุมันส่งให้เราไปอะจะทำยังไงใครจะช่วยคุณ ใครจะช่วยตรงนีข้ขอให้พวกเรามกบนเข้ามาคุยกับตัวเองเสียก่อนก่อนเวลาจะหมดลงก่อนเวลาจะหมดลงไม่มีใครช่วยใครได้นะจะบอกให้ตรงนี้หน้าที่ของเราเองหน้าที่ของเราเองสงสารตัวเองเถอะ พาตัวเองทำดีแต่ใครจะด่ายัางไงก็ด่าไปทำหูหนวกตาบอดไปนั่นแหละคือคนได้ดีถ้าไปต่อปากต่อบคำเอาแบ่งกันคนละครึง่งแบ่งกันคนละครึง่งชาติหน้าแทนที่จะไม่เจอกันอีกเอามาเจอกันอีกมาด่ากันอีกเนี่ยความอิจฉาพยาบาทความโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้คุณรู้ไหมว่าคุณกําลัง สร้างความเป็นญาติกับคนที่เรากำลังเกลียดอยู่นั่นแหละคนที่เราอิจฉาเขาคนที่เราเกลียดเขาในปัจจุบันชาติคนคนนั้นแหละจะมาเป็นคนของเราในอนาคตชาติเลิกเสียนะถ้าเกลียดคนไหนก็กำหนดให้อภัยทานเขาสาจะไม่ได้เจอกันอีก แต่ถ้าพยาบาทอาคาตจองเวนคนคนนั้นน่ะจะมาเป็นคนของเราในอนาคตชาติดีไม่ดีมาเป็นเจ้านายเราเลยเพราะเราไปเสนอเป็นทาสของเขาเองด้วยความอิจฉาไงอยากรู้ไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรของพวกเราคือใครอยากรู้ไหม คนที่เป็นสามีภรรยากันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรกันเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงแหละนั่นนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนึกว่าวิญญาณ น, นั้นวิญญาณ น, นี้พบนั้นพบนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเขาไม่มาใกล้เราหรอกบางคนเกิดขึ้นมาในประเทศไทยยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยตายไปแล้วนั่นเพราะกรรมไม่เกี่ยวกัน คนที่มีกรรมเกี่ยวกันนั่นแหละมันบกเข้ามาหากันเจ้ากรรมนายเวนตัวจริงที่แท้จริงคือคู่สามีภรรยาด่ากันได้สบายถ้าเราไปด่าสามีคนอื่นด่าได้ไหมเราตีคุกไปเลยไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวนเพราะฉะนั้นคนทั้งหลาย รดไปเฉียวไปชนก็ไปซื้อสังฆท า, านมาสะดวกเคราะไปซื้อสังฆท า, านมาถวายให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรอยู่บ้านนะันนะซื้อสังฆท า, านมาก็เอาถวายสังฆท า, านเลยอันน่ะเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงด่ากันได้นั่นคือกรรม กรรมเนี่ยมันลังมาอยู่ประเทศไหนมันก็หลังมาอยู่จังหวัดไหนมันก็หลังมามาเจอกันจนได้บางคนอยู่ต่างประเทศยังหลังมาเป็นสามีภรรยากันได้ด้วยอำนาจกรรมพวกเราก็อาจจะต่างจังหวัดกันมาอยู่ทีโอทีเพราะอะไรกรรมแต่จิตใจที่ใสสะอาดด้วยการประพฤติปฏิบัติอยู่เหนือกรรมนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราพวกพวกเราสแสวงหากันทั้งหลายอยู่นี้จะมาแก้กรรมสักนิดหน่อยก็ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่กรรมนี้ไม่มีอะไรจะมาแก้ได้กรรมนี้ไม่มีอะไรจะมาขยักละความชั่วออกเอาความดียัดใส่ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าตัดกรรมล้างกรรมไม่มีแต่ทาดีนี้มีสิทธิ์ที่จะห่างไกลกันไปได้ ถ้าท่านประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งจิตใจในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยถ้าท่านปฏิบัติให้ถึงที่สุดของจิตใจในเดี๋ยวนี้ท่านจะเป็นอริยะบุคคลเดี๋ยวนี้ท่านจะเป็นบุคคลที่เหนือกรรมเดี๋ยวนี้เลยเดินออกจากไปนี้ก็เป็นพระอาราหันต์ไปเลยแต่ท่านละไม่ได้ก็เอาอย่างเก่าทังเทศอยู่เนี้ยถ้าละกิเลสได้ทุกตัวจิตใจเป็น ถึงที่สุดของ จ, จิตใจก็คือเป็นพระอรหันต์ไปเลยยูเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วขอถามสักคำว่าทำไหมทำอะไรอยู่ท่านห่วงใครในโลกนี้ไม่ในโลกนี้ไม่มีใครที่มีสิทธิ์ที่จะให้ท่านรอใครได้แม้แต่คนเดียว ตัวของท่านเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรอใครเลยเพราะทุกคนเข้าเตาเหมือนกันเข้าเตาเหมือนกันแต่สิ่งที่จะทำให้ท่านประเสริฐได้คือการปฏิบัตินะศาสนาไม่เคยหลอกลวงใครอันนี้พูดกันจากใจจริงพูดกันจากใจจริงมันสุขสบายจริงๆ ถ้าเมาลดตู้ไปได้เดี๋ยวนี้จะเมาพาไปดูเลยนะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่บอกบอกได้คําเดียวว่าสบายจริงๆเราอยากทาตัวงมหอยงมคงอยู่นี้เถอะเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราแน่นอนไม่ใช่เรื่องอยากจิตใจนี้เขาตกเป็นทาสของอารมณ์ เราผู้เป็นเจ้าของทำไมเราจะหยุดไม่ได้หยุดได้หยุดได้อัอตมาห ย, ยุดมาแล้วหยุดได้ <S <S <ưng S 1> เพียงแต่ว่าให้เราขยันสักนิดหนึ่งนี่แหละขุมทรัพย์มหาศาลบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจสนามรบระหว่างกิเลส กับธําก็คือใจนักรบผู้ชักดตัวจริงก็คือจิตใจชนะหรือแพ้จิตใจของเราเองเราจะเป็นผู้แพ้หรือว่าจะเป็นผู้ชนะการตัดสินก็อยู่กับในตัวของเราเองธรรมะของพูุ้ทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงใครเข้าไปเถอะคำว่าโลกทิพย์กับโลกสมมุติ ต่างกันมากโยมต่างกันมากบอกได้เลยว่าต่างกันมากๆเลยต่างกันมากๆเลยเห็นหน้ากันนี้อ๋อคุณสบายดีเหรอคำนี้ตัดขวางเหวี่ยงไปเลยนะตัดขวางเหวี่ยวไปเลยทานข้าวกับอะไรตัดขวางเหวี่ยงไปเลยไม่มีคำถามเหล่านี้เห็นหน้ากันปุ๊บนี่ ไปเลยนะพยักหน้าให้การแค่นั้นแหละไปเลยมันไม่มีคำพูดจะมาทนทุกข์อะไรกันหนทางมันมีอย่าปล่อยให้ตัวเองตายเปล่าสิพระพุทธเจ้าเพิ่งไปเมื่อกี้นี่แล้วเราทำอะไรอยู่เพราะเราอยู่ก็เกิดขึ้นในถ้ากลางของพุทธธรรมสังฆะเท่ากับแบกไหวอยู่ในมหาสมุทรของกองบุญ มีธรรมะฟังอยู่ตลอดเท่ากับยืนอยู่มหาวิทยาลัยของพระนิพานแล้วทมอะไรอยู่นั้นคือเรือนั้นคือแพนะที่จะชักนำให้เราเข้าหาความสุขที่แท้จริงโอกาสของเราโอกาสเนี้อโอกาสทองมากเลยถ้าเป็นนักกีฬาก็จะจชิงแชมป์เหรียญทองหนะเดียวนี่นะ เนี่ยให้พวกเราคิดให้ดีที่กับชีวิตความเราจะสมมติว่าเราตายไปเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปพบนั้นพบนี้การเวียนว่ายตายเกิดไปแต่แล้วพบและชาติพระพุทธเจ้าบอกว่าจะหาความสุขที่แท้จริงไม่มีเลยจะหาพบใดชาติใดที่จะทำให้ชีวิตนั้นสมบังไม่มีเลยแล้วเราจะไปเหรอ ภพชาติที่จะทาให้ท่านสมบังคือมีอยู่ภพชาติที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายสมบังมีอยู่ภพหนึ่งนะภพนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะท่านเกิดมาหูไม่หนวกตาไม่บอดไม่ใบบ้าปัญญาสามกายไม่วิปริตจิตไม่วิป ร, รารถเกิดขึ้นมายังมีธรรมะของพระพุทธเจ้า กล้องโลกอยู่ท่านมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาตั้งใจประพฤติปฏิบัติชาตินั้นพบนั้นแหละจะทําให้ท่านสมหมังได้พวกเราขาดอะไรพร้อมทุกอย่างขาดขี้ค้านขี้เกียจขี้ค้านไปเธอนะเราบ้านนะ สมมติว่าอาตมาจะเที่ยะให้ฟังถ้าท่านตายปุ๊บท่านก็จะไปเกิดพบนั้นพบนี้ไม่มีตลาดสดไม่มีบิ๊กซีรูทัตไม่มีเส้นท่านไม่มีอะไรเลยไปด้วยบาปด้วยกรรมญาติพี่น้องก็ขาดการติดต่อถึงจะทำงานทีโอทก็ติดต่อกันไม่ได้เชื่ออาตมาสิเชื่ออาตมา ตรงนั้นเนี่ยไปด้วยความเป็นธรรมชาติเกิดเกี่ยวเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ความทุกข์ที่เราจะมาประคับประคองกิจเข้ามาให้เป็นสมาธินี้ก็เป็นความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกอันนี้น่าทำนะทุกเพื่อที่จะแลกเอาสุขที่แท้จริงทุกนิดเดียวแต่มีความสุขมากอันนั้น เราจะปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติทุกไม่มีที่สิ้นสุดเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเบื้องต้นก็ไม่มีท่ามกลางก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่มียังจะพากันไปอีกเหรอกลับมาเถอะอาตมาว่านะกลับมาพุทธโทดีกว่ามัสงสารตัวเองนะต่อให้ท่านตายวันเนี้ย เกิดพรุ่งนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนหมดท่านตายลงเดี๋ยวนี้เกิดพรุ่งนี้เลยมาเป็นมนุษย์อยู่กรุงเทพนี่แหละเอางานทีโอทก็จะขาดไปแล้วไม่ได้ทำอีกแล้วพ่อแม่ก็เปลี่ยนหมดบ้านเก่าก็รู้อยู่แต่ไม่ใช่เปลี่ยนหมดเนี่ยเพราะโรคแห่งความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการภาวนานี้คือ การทําให้ตัวเองมารู้ความเป็นจริงในความเป็นสมมุติรู้ความเป็นจริงในความเป็นบิดมุตดจิตใจเมื่อรู้สองอย่างนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายอีกแล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายหันมาหาจิตใจหันมาด่าตัวเองนยจะได้บุญด่าเข้าไปหนักหนักเอาได้ไปพระนิพพานเลย ถ้าด่าคนอื่นมากๆไปนรกเลยจะเอาอันไหนกันแน่จะเอาอันไหนกันแน่การบรรยายธรรมก็ไม่ได้ข้อหลักครับพระถ้าคาถาธรรมที่ยกขึ้นยังต่บ่าแปลใจความให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่คือมีอยู่สองอย่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านแต่วันนี้อธิบาย ชักชวนบอกกล่าวให้พวกเรารู้หนทางก็คือเรื่องจิตใจเรื่องเดียวเห็นว่าพอสมควรเอบางก็มีด้วยประกาศและชนี้